สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่ง้อยสิบหกแล้วนะครับการอธิษฐานตามแบบพระเยซูตอนที่สามครับพี่น้องครับเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าบทคิวบทที่หกนะครับข้อที่สิบเอ็ดและข้อที่สิบสองนะครับเป็นคําขอนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราเป็นประการแรกนะครับก็คือขออาหารและ ขอการยกโทษบาปนะครับผมจานให้พี่น้องฟังนะครับนี่คื อ, พ, อ, อพระเจ้าโปรดฟัง พ, งพระเจ้าครับขอทรงโปรดประธานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นพี่น้องครับกลับไปถึงหลักการอธิษฐานที่ผมจะขอแทรกในแต่ละวันแต่ละวันนะครับอยู่ในพระธรรมวัตรที่หก 6, ข้อที่หก การอธิษฐานเป็นเรื่องส่วนตัวครับเป็นเรื่องส่วนตัวของเรากับพระเจ้าการอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระเจ้าพระเยซูสอนว่าฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นไหนและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานขอพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ดีครับตรงนี้พระเยซูสอนให้เราอาธิษฐานและเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดานะครับและพระบิดาของเรานั้นไม่เพียงแต่พระองค์จะสถิตอยู่บนสวรรค์เท่านั้นแต่ เป็นผู้ที่สถิตในที่รีร้ลั์คําว่าที่รี้ลับนี่ก็คือว่าเป็นระโหฐานครับก็คือเป็นสถานที่ส่วนตัวและขบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่รีรัลั์ก็จ ะ, ปะโปรดประทานบําเห็จแก่ท่านนัานหมายความว่าเลยครับหมายความว่าพระบิดานั้นผู้ทรงชังนสูตรนะครับลงเข้าไปในสิ่งที่ลึกที่สุดในจิตใจของมนุษย์นั้นก็จะรู้ครับว่าเราอธิษฐานด้วยความจริงใจขนาดไหน เอธิษฐานด้วยการพึ่งพาพระเจ้าขนาดไหนเราอธิษฐานด้วยความผ่อมใจของเราลงขนาดไหนแต่อย่าลืมนะครับ humility นะครับ humility ก็คือการผ่อมใจนะครับเป็นหลักที่สําคัญในการอาธิษฐานนะครับในวันนี้ครับเรามาดูต่อไปครับว่าพระเยซูสอนเราให้เราขออาหารประจำวันนะครับจริงแล้วเนี่ยพระเยซูสอนว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารนะครับเรื่องความ ต้องการจําเป็นประจําวันนะครับพระเยซูสอนไหมครับอย่ากังวลว่าจะอะไรกินอะไรดื่มนะครับอย่ากังวลว่าอาจะอะไรสวมใส่เพราะพระบิดาบนสวรรค์นั้นโรงส่งรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วและให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนะครับและสิ่งเหล่านี้แหละพระเจ้าจะทรงประทานให้นี่คือทำกรรมชับหรือคํามั่นสัญญาที่พระเยซูสอนเราซึ่งเราเป็นบุตรของพระบิดาบนสวรรค์แต่การทูลอ้อนวอนขออาหารประจําวันนะครับ ในที่นี้บอกว่าคำถางคิดว่าเอาว่าเดริกเบรดนะครับก็คืออาหารประจำวันหรือแปดตรงตัวว่าเป็นขนมปังคนไทยเราจะแปลเป็นอาหารนะครับบางคนก็แปลว่าขอทรงโปรดประทานข้าวปลาอาหารแต่ข้าพรองค์ในการวันนี้นะครับก็เป็นคำที่สลาดถล่วยครับเห็นภาพชัดเจนนะครับขนมปัง น, นั้นเป็นอาหารที่สำคัญมากในปาเลสไตน์ครับ แล้วอาหารของเขานั้นจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ข้าป่าจากขนมปัง น, นะครับบ้านเราก็เหมือนกันครับข้าวปลาอาหารเราจะไม่ครบถ้วนถ้าว่าขาดข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักนะครับพระเยซูทราบครับว่าความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและพระเยซูก็ให้ความสําคัญหรือความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังนคับความจําเป็นเรื่องของการดํำรงชีวิตในแต่ละวันนั้นเป็นประการแรกก็พระเยซูลําดับคําทูลขออ้อนวอนของมนุษย์ในเรื่องของ ความต้องการฝ่ายเนื่องหนังนะครับในการที่ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนั้นเป็นประการแรกพี่น้องครับเรากลับไปดูนะครับเมื่อพระเจ้าสรงเนยมสร้างโลกโปร่งทรงประทานอาหารให้กับมนุษย์นะครับโรงทรงประทานพืชผักให้กับจอบต่างๆและโปร่งก็ทรงประทานอาหารอย่างแรกเลยก็คือผลไม้นะครับและเมล็ดนะครับที่มีผลในเมล็ดของมันนะครับก็คือพวกถั่วพวกตัญกพืชทั้งหลายนะครับพระเจ้าประทานอาหารอย่างแรกให้กับเรา นะครับและต่อมาเมื่อมนุษย์ทําบาปนั้นมนุษย์ก็ต้องทํางานนะครับจากตาลําบากสาหัสนะครับแทนสาหัสเป็นงานของมนุษย์ที่จะไถยและจะหวานเพื่อจะเอ่อเกิดผลและเก็บเกี่ยวนะครับในน้ํามีฟ้านในน้มีข้าวครับเป็นสานวนของคนไทยอย่างไรก็ตามพระเยซูปรารถนาให้เราต้องทูลขอต่อพระองค์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นการขอบคุณพระเจ้าครับที่เราสํานึกในพระคุณและการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเยโฮวาอีเรนะครับจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นไม่ขาดเสมอพี่น้องครับมีวลีที่สําคัญมากก็คือว่าในการวันนี้นะครับในการวันนี้ถามว่าในการวันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ต้องห่วงเรื่องพรุ่งนี้นะครับหลายหคนเนี่ยนะครับก็ห่วงเรื่องพรุ่งนี้ว่าจะอะไรกินจะอะไรดื่มพี่น้องครับเราขอพระเจ้าวันนี้พระเจ้าก็ประทานให้เราวันนี้เราขอพระเจ้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันนี้ในอนาคต พระเจ้าก็าจะพันประทานให้ในวันพรุ่งนี้แน่นอนครับพี่น้องครับให้เราเชื่อและไว้วางใจงในพระเจ้านะครับเราจะต้องเป็นคนที่อธิษฐานขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ได้บังเกิดขึ้นเถิดเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเตรียมนะครับน้ำมัไทยของพระองค์ให้สําเร็จในชีวิตของเราในวันนี้เช่นเดียวกันครับพระองค์ก็จงจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นให้กับเราในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะ เ น, น้นย้ำเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ประทานฝนพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่เป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์ได้ส่องแสงครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นเจ้าของท้องนาเป็นเจ้าของไรนาของเรานะครับเป็นเจ้าของทะเลเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมและดูการแห่งการเก็บเกี่ยวครับเพราะฉะนั้นเรานะครับจะต้องอธิ ษ, ษฐานขอจากพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับ ที่เป็นผู้ให้กับเราทุกๆวันนะครับนี่คือการขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งด้วยเหมือกันครับในการอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพองค์ในในการวันนี้นะครับข้อต่อไปนะครับก็คือขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นะครับในข้อนี้เป็นการอธิษฐาน <c oughs> ทูลขอความปรารถนาฝ่ายยินดีเมื่อสักครู่นี้เป็นการอธิษฐานหรือข้อเมื่อครู่นี้เป็นการอธิษฐานเกี่ยวข้องกับ ความปัต tna ฝ่ายร่างกายความจําเป็นฝ่ายร่างกายแต่ข้อนี้เป็นการถูลอ้อนวอนความปัต tna ฝ่ายวิญญาณครับพวกยิวนั้นได้ผู้เปรียบเทียบกับความบาปเหมือนกับหนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการแปลคำอธิษฐานข้อนี้ก็คือว่าขอพระองค์ทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์นะครับเหมือน ข, อข้าพระองค์ยกโทษผู้ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นนะในคำอธิษฐานที่แปลมาเป็นภาษาไทยหลายหเวอร์ชันนะครับบางเวอร์ชันบอกว่าขอทรงโปรดยกหนี้ของเราเหมือน เรายกหนี้ให้กับเขาคนอื่นให้กับผู้อื่นนะครับการยกบาปผิดนะครับในความหมายนะครับในภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะโยงไปกับคําว่าการยกหนี้นะครับการยกหนี้เพราะฉะนั้นคําว่าหนี้นะครับข้อนี้ได้พูดถึงความบาปบหรือความบาปนั้นก็อาจจะมีความหมายว่าเป็นหนี้นะครับแต่ความหมายในภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเนี่นะครับคําว่าโอเฟเลรมาโอเฟเรมาแปลว่าหนี้ นะครับนี่สินนี่แหละครับก็คือความล้มเหลวในการทํางานจนกระทั่งต้องเจ็บหนี้ความล้มเหลวในการลงทุนความล้มเหลวในการทําธุรกิจจนกระทั่งต้องเจ็บหนี้นะครับหรือการที่จะต้องชำระห น, นี้เมื่อครบกําหนดสัญญานะครับอันนี้คือความหมายคำว่านี่ซึ่งตรงกับคําว่าความบาปครับเมื่อเรากระทาผิดต่อผู้อื่นก็ประดุจหนึ่งว่าเราได้เป็นหนี้ต่อผู้นั้นและมีความจําเป็นครับที่เราต้องทูลสารภาพ ขอให้พระเจ้าชำระหนี้นั้นๆให้แก่เราเพื่อที่เราจะชำระหนี้ให้กับคนอื่นได้นะครับเหมือนกับเราต้องยกหนี้กับคนอื่นก็เท่ากับว่าเราต้องยกโทษให้กับคนอื่นด้วยพี่น้องครับในข้อที่สิบสี่ครับย้ำเล้นครับพระเยซูหลังจากที่พระเยซูได้สอนเราอธิษฐานแลวจบลงด้วยว่าอามนนะครับในข้อสิบสี่ของมัทธิวบทที่หกนี้บอกว่าถ้าท่านยกความผิดของเพมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวนจะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันดังนั้นครับพระคำผีข้อ น, นี้ทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราอิจฉาขอการยกบาปนะครับนะครับเราจะต้องพร้อมที่จะยกบาปให้คนอื่นก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับเรา ไม่สามารถยกโทษกับผู้อื่นก็ อ, อยากยวังว่าพระเจ้าจะยกโทษกับเราผู้ติตามพระเยซูต้องไม่ใช้คาว่าฉันไม่สามารถยกโทษให้กับเขาได้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับยังไงก็ตามเราจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นได้พระเยซูได้ย้ําเน้นนะครับและในข้อที่ยี่บหกเนี่ยนะครับในมาระโกบทที่สิบเอเขายื่นบอกว่ า, วาถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดพระบิดา ของท่านผู้ทรงสถิตในสวนจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันเห็นไหมครับการอภัยโทษนั้นมีความหมายว่าการลบทิ้งนะครับหรือกําจัดออกไปนะครับเอาออไปทิ้งนะครับนี่เป็นลักษณะที่เบียสูได้ทรงกระทำก็คือการลบออกไปและการกําจัดบาปของเราออกไปเมื่อเราอธิษฐานให้พระเจ้ายกเโทษกับเราเมื่อเราได้ยกหนี้ความผิดให้กับคนอื่นนะครับที่เขากระทําต่อเราท่านได้ลบ หรือพวกเราได้ลบหรือกำจัดนี้ความผิดบาปออกไปหรือเปล่าครับที่คนอื่นคกับเราพี่น้องครับเราก่อนที่จะอธิษฐานในเช้าวนันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสให้ควนว่าเรามีความผกมกลืนอะไรหรือไม่เรามีอะไรที่ยังไม่ได้ยกนะครับยกให้กับคนอื่นหรือเปล่ายกโทษคนอื่นหรือเปล่านะครับเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องอธิษฐานนะเพื่อที่จะให้เราสามารถยกโทษให้กับคนอื่นได้ ดังนัคบคนอื่นที่ห่างไกลนะครับเวลาทําผิดกับเราเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยจะทบกับเรามากเท่าไหร่แต่ว่าคนใกล้ชิดครับที่ทําผิดกับเรานะครับและเรายากกับที่จะยก โ, ยกโทษให้กับเขาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจให้พี่น้องในเช้าวันนี้นะครับหากว่าเราไม่ยกโทษให้กับกันและกันเราไม่สามารถที่จะที่ขานและเราไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้เลยครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ยกโทษให้กับเรา ไม่ยกบาปให้กับเราเราก็มีอุปสรรคในการที่ว่ามีสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้านะครับอย่าลืมครับและนี่คือสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องครับการยกโทษนั้นเป็นกุญแจหลักที่จะไปสู่สันติสุขและสันติภาพของพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องทุกทา่านการยกโทษนั้นทําให้พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยเรานะครับอาเมน